เหมือนศีลที่เราไปเลือกถือเป็นข้อๆศีลที่ถือเป็นข้อๆนั้นมันรักษายากอย่างบางคนก็ก่อนจะทําอะไรต้องอารัธนาศีลก่อนใช่ไหมอารัธนาศีลนะพระให้ศีลจบปุ๊บศีลก็เริ่มขาดนะเริ่มพูดเปิดเจอจกแจกจกแๆ๊กจแกนะศีลเริ่มแบ่งแบ่งแบ่งนะพอหลวงพ่อเทศจบแลศีลขาดไปหลายข้อแล้วเอ้ศีลอย่างนั้นศีลลําบากแต่ดีเหมือนกันเป็นศีลทางจริยธรรม ศสีนของนักปฏิบัตินะ่ก็คือการที่เรามีสติรู้ทันใจของเราไว้กิเลสจะย้อมใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสย้อมใจไม่ได้ไม่ทำผิดสีห้าหรอกสีไม่จะมีอัตโนมัติขึ้นมานี่พอเราฝึกนะมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่ผุดขึ้นในใจเรื่อยๆต่อไปจิตใจเราจะพัฒนาต่อไปอีกก็เรามีสีที่เป็นอัตโนมัติแล้วอย่างนี้เรียกว่าเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วแต่นี้สาคัญนะพวกเราอย่ า, ยาละทิ้ง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 เป็นจิต ท, ที่ใช้ทําสมถะงั้นการเพ่งอารมณ์นะเรียกว่าอารามณูปนิชานคือการทําสมถะยกตัวอย่างเลยที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเที่ยวไปดูมาเยอะแล้วมีแต่คนทําสมถะอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะพรจะเจ้าเจ้าบอกให้รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้อะไรรู้ว่าตัวนี้มันหายใจไม่ใช่เราหายใจรู้ว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะนี่เรียกว่ารู้การหายใจ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 พวกเราหลายคนลาเลยไม่รู้จักสัมมาสมาธิสมาธิที่ดีเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่อันนี้เรียกโดยอนุโลมนะสัมมาสมาสมธิแท้ๆจะเกิดขึ้นในอริยมรรคเท่านั้นอย่างพวกเราเดินสติอยู่เบื้องต้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิที่แท้แต่เราก็เรียกอนุโลมไปก่อนนะเรียกให้เอาใจจะได้มีกําลังใจคล้านยะๆเรียกทั้งให้กําลังใจเด็กไปก่อนสัมมาสมาสมธิแท้ๆจะเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรค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 ค่อยๆดูไปนะจิตแยกแยกกายออกไปส่วนหนึ่งแยกเวทนาไปส่วนแยกสังขารไปส่วนแยกจิตไปส่วนพอแยกๆแล้วแต่ละขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเรามันเกิดจากขันมันมาประชุมกันแล้วสัญญาความจําได้หมายรู้เข้าไปหมายให้ว่าเป็นตัวเรา <c oughs> นี่สําหรับคนจะดูกายดูยากนะแต่ว่าดูจิตดูง่ายๆนะใครรู้จักโกรธในห้องนี้มีใครไม่โกรธบ้างมีไหมใครจะโกหกว่าไม่โกรธมีไหม <c oughs> ใครจะบอกว่าไม่โลภเลยรู้จักไม่โลภอยากอยากนูนอยากนี่รู้จักหลงไ้ยหลงให้ใจลอยไปรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักสงบไหมรู้สึกรู้จักคาว่าหดหู่ไหมหดหู่เป็นไงเซ็งเซ็งเป็นไงรู้จักไหมอิจฉาเป็นไงรู้จักไหมเห็นไม่รู้จักพยักหน้ากันยึกยๆกยึกเวลาที่เราหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะ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 ไม่เคยเลิกตอนนั้นรับราชการอยู่อยู่ที่ในธรรมเนียมรัฐบาลงานเครียดมากเลยสภาความมั่นคงนะั้นชื่อก็น่ากลัวแนละ้วบางคนได้ยินชื่อก็กลัวแนละ้วว่าเราจะไปคุยด้วยเนะี่ยรู้ว่ามาจากสภาความมั่นคงเระแวงแนละ้วกลัวงานเครียดมากเลยนะเราก็หัดภาวนาของเราตื่นนอนขึ้นมานี่ข้าราชการตัวอย่างนะหลวงพ่อเป็นได้อะไรดีเด่นเยอะแยะเลยสีเซอร์เขาเลื่อนเร็วนะ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 นี่แหละวิธีจเจริญสติในชีวิตประจำวันะต่อไปสวนเราจะออกจากบ้านนะขับรถไปรถติดเต็มไปหมดเลยใจเราหงุดหงิดร้วหงุดหงิดนะคนกรุงเทพเนี่ยมันตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วนะจะออกจากบ้านรถติดทนะีหาความสุขไม่ได้เลยนะเปิดโทรทัศน์ออกมาก็มีข่าวทะเลาะ ก, กันใช่ไหมดูข่าวเศรษฐกิจอนะ่ะเศรษ ฐ, ฐกิจก็ไม่ดีอีกลมีแต่อกุศลทั้งวันเลยเนี่ยพอเราไปกระทบนะ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 ให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยนะอย่างพวกเราชาวเมืองดูใจของเราไปเรื่ยก่อนนอนนะหรือตื่นนอนใหม่ๆคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยใจเราจะได้มีความสุข จ, จะได้มีกําลังมีสมถรถคิดถึงพระพุทธเจ้าได้สมรรถนะคิดถึงพระพุทธเจ้าใจเราก็มีความสุขสงบเบิกบานขึ้นมาได้สมรรถทุกวันเราก็ต้องมีเวลาอย่างนี้นะใจเราจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขพอใจเรามีความสุขแล้วอย่าเพลินในความสุข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 อ ย, อย่าไปเอ่ยชื่อตลอดตลอขอโทษแต่แต่คราวนี้เนี่ยคือตอนนี้ที่ที่รู้สึกอยู่คื อ, อยังติดที่จะใช้คาบริกรรมอเมื่อะไรจิตบริกรรมนะจิตจะตกจากวิปัสสนาทันทีเลยเพราะถ้าเมื่อไร่เจอด้วยความคิดลงไปเนี่ยนะจอไม่ขึ้นอุทยพ ย, ายาัญาาสูงสุดเลยได้แค่สมัสนิยามสมัสนิยามเป็นการรู้ไตรลักษณ์แต่รู้ด้วยการเปรียบเทียบ เช่นหน้าตาเราวันนี้กับวันก่อนไม่เหมือนกันแสดงว่าไม่เที่ยงเลยเนี่ยเวลาที่เราภาวนานะสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นหลายตัวต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วอย่าสุดว่าพอคุณกโกรธความกโกรธเกิดขึ้นก่อนในขณะที่ความกโกรธเกิดเนี้ยจิตเป็นอกุศลไม่มีสติหรอกในขณะนั้นถัดมาถ้าคุณเคยจิตไม่เคยจําสภาวะของความกโกรธได้สติจ ะ, ะระลึกขึ้นมาที่ตัวที่สองสติะระลึกได้ว่าเมื่อกี้กโกรธเมื่อกี้นะเมื่อกี้กโกรธ หลักจากนั้นเนี่ยจะพลาดแล้วจะบริกรรมโกรธเนาะโกรธเนาะตรงเนี้จิตตกจากวิปัสสนาลพราะฉั้นตัวแรกจิตเป็นอกุศลตรงที่โกรธจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยตัวเนี้ยจิตตัวนี้มีสติรู้ทันละให้รู้ลงไปเฉยๆฉยได้จะเห็นในความโกรธนั้นเป็นอดีตละเกิดระดับไปเรียบร้อยละ อ, อ่อเข้าห้ามจี้วันนี้บอกมีถ่ายทอดทุรทัศน์แต่เวลาแต่เวลาที่ฝึกเหมือนกับระลึกรู้เนี่ย ม, มันเบากว่าหรือมันแผ่วกว่ า, วาจนไม่ชัดนะคะ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 เช่นเราจะไปดูท้องผองยุคเนี่ยใจเบื้องต้นเราอยากก่อนเราอยากดีเห็นไหมอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พออยากแล้วเราก็ไปบังคับตัวเองไปเพ่งเอาไว้ไม่ให้จิตหนีไปไหนเลยจะให้มันอยู่ตรงนี้แหะจิตเหมือนเด็กนะเราอย่าไปบังคับเด็กเด็กจะเครียดถ้าถ้าเราอยากเลี้ยงเด็กให้ดีนะเราก็ปล่อยให้เด็กมันสนเมื่แล้วเราก็คอยตามชำเรืองดูอย่าไปจ้องแบบให้คลาสายตานนั้เด็กประสาทกินหมดนั่นใจเรานี้เหมือนกันอย่าไปจ้องไม่ให้คลาสายตา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 สัตว์ท <brothers and> <ampa> ั see, ้งหลายนะไปเอาใยเยอะเทียบไม่ง่ายเลยเห็นไหมคนอะเราว่าคนเยอะใช่ไหมเทียบกับแมลงสักฝูงหนึ่งเยอะไปนะแต่ว่าคุณอย่ากลัวมากกลัวมากเกินไปก็เป็นโทสะอีกชนิดหนึ่งนะความกลัวเป็นโทสะนะคุณเจริญสติไปเถอะหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจนะเมื่อเราหัดมากเข้ามากเข้าเวลามันคับขันจริงๆนะสติปัญญามันทางานขึ้นมาเองคนที่เรียนกับหลวงพ่อนี่ยมาส่งกันบ้านเยอะเลย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 ดูไปคนอื่นบ้างนมัสการค่ะหลวงพ่อสัปดาห์เดือนที่แล้วนะคะเที่ได้พบป้าจารย์นะคะติดประคองแล้วก็จงใจนะคะจารย์ไม่ทราบว่าตอนนี้นี่ดีขึ้นไหมคะจานถามอย่างนี้ต้องไปถับที่วัดค่ะสังเกตของเราสิใจเราคล่องแคล่วปลัดเปรี่ยวพอไหมหรือยังหนักยังแน่นยังซุมยังทื่ออยู่ก็ยังมีแบบนิ่งๆอยู่นั่นยังตอบของเราเองได้ค่ะ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 เราตามเรารู้เรียบทต่างๆในชีวิตประจําวันอยู่ไม่ต้องถาบหรอกดูไปเถอะมันเกิดเกิดอะไรขึ้นมาที่มันเป็นไปเองเราเห็นแล้วก็เราเห็นแนละ้วมันเป็นไปเองมันไม่ใช่ตัวเราก็ดีแล้วนี่ยก็ดูต่อไปอีกนั่นคือสติมีสติมีใจที่ตั้งมั่นก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปเองไม่ใช่ตัวเรามีสตินะมีสัมมาสมาธิใจก็ตั้งมั่นนะนะ เห็นสภาวะทั้งหลายที่สติไประลึกเนี่ยเกิดระดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่ภาวนาอยู่แล้วถูกเป๊ะเลยกราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะขอถามคำถามที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้เพราะว่าไม่มีประสบการณ์เรื่องการนั่งอรามทานแล้วก็สมาธิมาก่อนแต่เห็นจากการบรรยายของหลวงพ่อกับจิตที่เป็นกุศลอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้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 วกหนึ่งพอตอนเช้ามาฟังทมเสร็จนะเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปร่วมชุมนุมนะนะมีนะบาคนขยันมาบอกว่าเกิดปุบ ป, ปับตายตอนนั้นจะได้ไปสุคตนะินี่เรียกว่าผู้ประท้วงแบบรับขอบนะฝ่ายรัฐบาลก็มีหลวงพ่อหบอกว่าวัดหลวงพ่อนะเราเว้นไว้ที่หนึ่งได้ไหมนะให้มันไม่มีค่ายให้ทุกคนมาเรียนในฐานะที่ทุกคนเป็นลูกของพระพุทธเจ้า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 มันถึงคนทุกคนไม่ได้นะาศาสนาพุทธไม่ได้เหมาะกับคนทั่วๆไปหรอกยิงหมายถึงผู้นําอะค่ะผู้นำเขาไม่มีเวลาฟังหรอกหูเขาอื้อ <laughs> เพราะว่าคนโน้นประท้วงคนนี้ประท้วงนะไม่ได้ฟังหลวงพ่อหรอกนะอย่าห่วงคนอื่นนักเลยนะห่วงตัวเองก่อน <laughs> ทราบแล้วค่ะว่าถ้าถามคําถามนี้หลวงพ่อจะต้องตอบประโยคนี้ ซ, ซึ่งซึ่งอันนี้จริงแต่ว่าขณะเดียวกันก็อยากให้พลังบุญที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมะของพระพุทธ อ, องค์ เ, เนี่ยช่วยแผ่นดินได้ไดบ้างอะคะ่ะไม่ใช่ใคร <ตา S 1> กลุ่ ม, <ห>มใดกลุ่มหนึ่งน ะ, นะคะเรามีความเมตตาจริงๆริงไหมหรือเราเมตตาเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับเราความเมตตาของเราคับแคบหรือความเมตตาของเราไม่มีประมาณถ้าเราเมตตาเฉพาะพวกเราอย่างนั้นใครเข้าก็เมตตาใช่ไหม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 พอโทสะมันเกิดนะเราลืมเหตุลืมผลไปหมดคราวนี้มันก็มีแต่ความรุนแรงไม่เคยมีใครชนะด้วยความรุนแรงนะพอละเมิงถามอะไรกันบ้านการเมื อ, อ, อ, มเองหลวง ก, ไกไ็ไม่รู้เรื่องหรอกกับเจ้าค่ะก็เคยอ่านหนังสือพิมพ์สักที่ไหนล่ะวิทยุก็ไม่มีตัวทัศน์ก็ไม่มีไม่รู้เรื่องหรอกนมรสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าท่าีเจ้าค่ะเคยอยากจะสอบถามพระคุณเจ้านิดนึงอะค่ะว่า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 ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่ชนิดนันจันเจ้าฉายเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับถวายเจตุปัจจั ย, ยธรรมแต่ทนาจาร์ประโมทและขอให้ทุกท่านในที่นี้น้อมจิตพนมมือพร้อมกันนะครับอลเชิญรับพรจากพระอาจารย์ครับยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขรังเอวเมวายโตดินนังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตูสังกป่าจันโทปันรโสยธามณีโชติราโสยทาสัภีติโยวิวัตชันตูสภโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาฒนาสีลิสนิจังอุทธาปัจายโนจัตตาโรโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง